ลดับที่เก้าเมื่อวันที่สิหพฤษภาคมพุทธศักราช2553โดยพระครู ธ, ธรรมทรนขันธิตคุณวโรผู้ช่วยเจ้าพาวาว า, ววาวัดญาณเวสกวันณจังหวัดนครปฐมขอเจริญพร อวันนี้เราก็ได้ทํากรรมฐานกันเต็มที่เลยนะแผ่เมตตากันครบไปถึงที่ทั้งสิบเลยนะ <g iggle> ก็สําหรับโยมที่มาใหม่เนี่ยอาจจะหนักสักนิดหนึ่งแต่ถ้าโยมที่ฝึกเป็นประจําอยู่แล้วคิดว่าน่าจะพอทําไดนะ้ก็พยายามฝึกเอาไว้เพราะบางคนพอแผ่เมตตานึกถึงอย่างเดียวแล้วมันง่วง <g iggle> หรือว่านึกถึงอย่างเดียวแล้วใจมันโฟงอันนี้ก็เป็นการจะเ ป, เป็นการเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างหนึ่งเหมือนกัน <g iggle> วันนี้จะมา อธิบายต่อเกี่ยวกับเรื่องของการแผ่เมตตาเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วนั้นได้สอนเรื่องการแผ่เมตตาไปทั้งหมดเท่าไร่เอ่ยร้อยี่สิบวกกับสิบสองก็ร้อยิบสองวิธีนะฮร้อยี่สบสองวิธีนะก็ถ้าเราจำหลักได้ก็ไม่ยากลวนะวันนี้จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะจากร้อยี่จากร้อยี่สิบวิธีคูณเข้าไปอีกสี่แบบ เป็นเท่าไรเอ่ย480นะ480วิธีนี่คือคูณ4เข้าไปแต่ถ้านับ122คูณ4เข้าไปก็เป็นเท่าไรเอ่ย488นะ488วิธีจริงๆที่คูณ4เนี่ยก็เป็นเพียงแค่วิธีการเท่านั้นเองซึ่งโยมทุกคนที่เคยแผ่เมตตาท่องคำแผ่เมตตาเนี่ยจะท่องได้หมดเลย4แบบที่ว่านี้ ก็คือเป็นเรื่องของคำบริกรรมที่เราจะเอามาใช้ตอนที่เราแผ่เมตตายมหลายท่านคงจำได้ตอนที่เรียนเรื่องการแผ่เมตตาให้ตัวเองจะใช้คำว่าอาหารสุขีโตโฮ ม, มิใช่ไหมนิตุโกขโฮ ม, มิหรือว่าเวลาเราท่องคำแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์เราก็จะใช้คาว่าสัพเพส ต, ตาอเวราหุนตุอัพยาปชาหุนตุอีคาหุนตุ สุขีอัตตานางปริหารันตุเนืจากท่องคำแผ่เมตาแผ่เมตตานี้นี่แหละท่านก็เลยแบ่งออกนะเพราะบางคนนั้นถ <c oughs> นัดที่จะท่องทั้งหมดจิตใจมีเมตตาได้ง่ายบางคนนั้นอาจจะท่องเพียงแค่ประโยคใดประโยคหนึ่งสามารถแผ่เมตตาได้ดังนั้นท่านก็เลยแบ่งคำแผ่เมตตานี้ในประโยคทั้งหมดนี้ออกเป็นสี่แบบด้วยกันแบบแรก ก็คือมุ่งที่ปราศจากเวรภยัยก็จะใช้คำว่าสัพเพแล้วส่วนสัตสัตตาตรงส่วนนี้ก็จะเปลี่ยนแบบไปแบบเป็นแบบเฉพาะเจาะจงและไม่เฉพาะเจาะจงจำได้ไหมเฉพาะเจาะจงกับไม่เฉพาะเจาะจงไม่เฉพาะเจาะจงมีห้าแบบใช่ไหมก็มีสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัพเพปานาผู้ที่มีลมหายใจทั้งหลายสัพเพภูตา พูดทั้งหลายสัพเพปุคขลาปุคคลทั้งหลายแล้วก็สัพเพอัตตภาวะปริยาปันาผู้ที่มีตัวตนทั้งหลายเนะเปลี่ยนจากคำว่าสัตตาไปเป็นห้าแบบง่ายแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนี้นะเปลี่ยนจากคำว่าสัตตาไปเป็นห้าแบบนี้นะก็มีเป็นสัพเพสัตตาอเวราหุนตุหรือแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นสัพเพ านาอเวราหุนตุสเพพูตาอเวราหุนตุสเพปุคาลาอเวราหุนตุสเพอัตตภาวะปริยาปั น, นาอเวราหุนตุเนะฉั้นบางท่านอาจจะเวลานึกว่าขอให้ทุกคนปราศจากเวรภายใจเขาเกิดเมตตาได้ง่ายท่า น, นก็บอกว่าอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งคือใช้คําว่าอเวราหุนตุแล้วก็เปลี่ยนจากสตตาไปเป็น แผ่แบบไม่เฉพาะเจาะจงห้าแบบแล้วก็เพิ่มมาแผ่แบบเฉพาะเจาะจงอีกเจ็ดแบบจําได้ไหมเจ็ดแบบเฉพาะเจาะจงนะก็มีอะไรเอ่ยสัพาอิทิโยอเวราหุนตุนะสัเพปุริสาอเวราหนตุสัเพอริยาอเวราหนตุสัเพ อ, อนริยาอเวราหนตุสัเพ อันนี้ต่อไปก็พบภูมิสามใช่ไหมก็เป็นสัพเพเท ว, วาเอเวลาหุนตุอันนี้ก็หมายถึงเทวดาทั้งหลายจงอย่ามีเวรภัยต่อกันเลยนะสัพเพมนุษยาเอเวลาหุนตุตอนนี้ประโยคนี้น่าจะเหมาะสาหรับปัจจุบันนะมนุษย์ทั้งหลายย่ามีเวรภัยต่อกันและกันเลยนะแล้วก็สัพเพ ว, วินิปาติกาเอเวลาหุนตุผู้ที่อยู่ในวินิบาตทั้งหลายจงอย่ามีเวรภัยแก่แกันและกันเลยนะั่นแหละนะนี่คือ ใช้คาว่าเอาเวลาหุนตุเป็นตัวตั้งแล้วก็แผ่ไปยังทิศทั้งสิบได้อีกเท่าไหร่ลวอันนีนะ้อันนี้แบบที่หนึ่งนะใช้อเวลาหนตุอย่างที่สองนะใช้คาว่าอภพยาปชาหุ่นตุนะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเหมือนกับเอาเวลาหนตุทุกประการนะอย่างที่สามใช้คาว่าปราศจากความทุกข์ทั้งปวง คือสัเพสัตตาอันีคาหนตุแล้วก็แบ่งไปเป็นแบบไม่เฉพาะเจาะจงห้าแบบแตบบ่เฉพาะเจาะจงเจดแบบแล้วจากนั้นก็คูณเข้าไปเป็นทิศทั้ง10ิบอันนี้บางท่านเนี่ยเวลานึกถึงว่าสัตว์ทั้งหลายปราศจากความทุกข์เนี่ยจิตมีไม่ตาได้ง่ายเขาก็จะใช้วิธีนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างที่สี่ นะอย่างที่สี่นี้อาตมาจะชอบใช้เพราะโดยส่วนตัวจะเวลานึกถึงอย่างนี้เราจะเจือจิจตเมตตาได้ง่ายก็คือแผ่เป็นความสุขก็เป็นสเพสัตาสุขีอัตตานางังปริหารันตุนะสัตทั้งหลายทั้งปวงจงมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด น, นะก็แบ่งเป็นแบบเฉพาะเจาะจงไม่เฉพาะเจาะจงแล้วก็แผ่ไปยังทิศทั้งสิบไดเท่าไหร่แล้วเนี่ย จากเดิมหนึ่งร้อยยี่สิบแบบจำได้ไหมหนึ่งร้อย1ี่สิบแบบแบบเฉพาะเจาะจงแบ่งไปยังทิ์ทั้งสิบแบบไม่เฉพาะเจาะจงแบ่งไปทางไปยังทิ่ทั้งสิบห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองคูณสิบทิศก็กลายเป็นร้อยี่สิบแล้วก็คูณสี่แบบนี้เป็นเท่าไหรนะ่ละสี่ร้อยแปดสิบฟังดูเยอะแต่ว่าถ้าจำหลักได้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบนี้ บวกเข้าไปกับแพรแบบที่ไม่ใช่เป็นทิศทั้งสิบก็คือสิบสองคูณสี่นะสิบสองคูณสี่เป็นเท่าไหร่เอ่ยสี่สิบแปดนะสิบสองคูณสี่ิบเป็นสี่สิบแปดวกเข้าไปกับอีกสี่ร้อยแปดสิบก็เป็นห้าร้อยยี่สิบแปดใช่ไหมห้าร้อยยี่สิบแปดแบบยากไหมฟังดูเยอะนะแต่ถ้าจับหลักได้เนี่ยเราท่องกันไม่เยอะเลยนะท่องกันไม่เยอะเลย อันนี้มีมาในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามาักเลยนะการแผ่เมตตาเกินกว่า500แบบทั้งหมดที่เรานับ ก, กันนี่คือ528อันนี้ยังไม่รวมนะจริงๆจะต้องบวกเข้าไปอีกก็คือแผ่ให้ตนเองแผ่ให้กับบุคคลที่เรารักและเคารพแผ่ให้กับอะไรเอ่ยแผ่ให้กับบุคคลที่เป็นกลางกางแผ่ให้กับบุคคลที่เป็นศัตรูคั้เวนบวกเข้าไปอีก4แบบ เป็นห้าร้อยสามสิบสองแบบนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการแผ่เมตตาแบบพิสดารนะพิสดารจังเลยเนาะแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วเราจำไม่เยอะนะและส่วนใหญ่เราท่องได้หมดอยู่แล้วใช่ไมมใช่ส่วนใหญ่เราท่องได้หมดอยู่แล้วนะอย่างแผ่เมตตาสี่แบบนิยมท่องได้อยู่แล้วสัพเพสัตตาเอเวลาขอตัเราท่องกันทุกวันนะ พยาประชาหหนตุอานีคาโหนตุสุขีอัตนาภะ ร, รันตุนี่คือซื้อคือสีแพรแบบสีนี้ไปยังสัตว์ต่างๆนะซึ่งมีอยู่แบบไม่เฉพาะเจาะจงห้าแบบใช่ไหมอา้าวทบทวนนิดหนึ่งห้าแบบมีอะไรบ้างหนึ่งสัพเทเอา้าวพูดพร้อมกันเลยแล้วกันหนึ่งสองสามัพเทสัตตาหนึ่งก็สัพเทสัตต า, นะตตาอา้าพูดตามอัตมาเลยสัพเทสัตตา นะต่อไปก็สัพเพปานาอันนี้คือผู้ที่มีลมหายใจทั้งปวงต่อไปก็สัพเพปูตาสัพเพปูตาคือผู้ที่เกิดจากกรรมนะผู้ที่ยังมีกรรมเป็นของตนทั้งปวงนะเนี่ยแหละต่อไปก็สัพเพปุคลาก็หมายถึงบุคคลทั้งปวงนะบุคบุคคลทั้งปวงนี่คือผู้ที่ยังมีสิทธิ์ที่จะตกอบายอยู่นั่นเองนะ ต่อไปอย่างที่ห้าก็คือสัพเพอัตตภาวะปริยาปนานะอัตตะก็ตัวตนภาวะก็คือภาวะภาวะที่มีตัวตนนะอัตตภาวะปริยาปนานะบุคคลผู้ยังยึดถือในตัวตนอยู่คือยึดถือในขันห้าว่าเป็นตัวตนนี่คือแผ่แบบไม่เฉพาะจัะจงใช่ต่อมาแผ่แบบเฉพาะจัะจงก็มีอยู่เจ็ดแบบ ใช่มเจ็ดแบบอา้าวทบทวนกันนีดหนึ่งหนึ่งสัพเพไม่ใช่สัพเพที่สัพพาอิทธิโยนะอา้าวพูดพร้อมกันเลยสัพพาอิทธิโยหมายถึงผู้หญิงทั้งหลายนะผู้หญิงทั้งหลายสองก็สัพเพปุริสาสัพเพปุริสาหมายถึงผู้ชายทั้งหลายนะสามก็สัพเพอริยานะ หมายถึงอริยะบุคคลทั้งหลายหมายถึงผู้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถึงพระอระหันต์นั่นเองไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระปัจเจภุตเจ้ทจาทั้งทั้งหลายด้วยประการที่สี่สัพเพอนริกยาเาาติมคําว่าอ่ะไปข้างหน้าก็คือผู้ที่ยังไม่ใช่อริยะบุคคลทั้งหลายนั่นเอง ต, ต่อมาก็เป็นภพภูมิสามใช่ไหมภพภูมิสามก็มีสัพเพเทวา ก็คือเทวดาทั้งหลายอันนี้รวมไปถึงเทวดามารพรมทั้งหลายเลยนะประการที่หก็สัพเพมนุษษาสัพเพมนุษษาหมายถึงมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองแล้วก็ประการที่เจดก็คือผู้ที่อยู่ในอบายนะก็คืออยู่ในวินิบาตนะก็คือสัพเพวินิปาติกาผู้ที่อยู่ในวินิบาตผู้ที่ยังทนทุกข์อยู่ทั้งหลายนั่นเอง ก็เป็นเจ็ดแล้วห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองคูณสีนี่เป็นสี่สิบแปดเดี๋ยวคูณทิศทั้งสิบทิศทั้งสิบจาได้ไม่เอ่ยอ้าวทบทวนกันนิดหนึ่งนะทิศทั้งสิบนั้นปกติของเรานับนั้นจะนับทิศเหนือก่อนใช่ไหมแต่ว่าในทางบาลีจะนับทิศตะวันออกก่อนทิศตะวันออกก็คือทิศทิศบุรภาแต่ว่าในภาษาบาลีถ้าจะไม่ใช่คําว่าทิศบุรภาใช่คําว่าทิศอะไรเอ่ย ไม่ใช่อุดอดูดอทิศเหนือปุรัตติมายะนะปุรัตติมายะจําได้นะปุรัตติมายะส่วนคําว่าทิศนั้นภาษาบาลีใช้คําว่าทิสายะนะก็สัตว์แผ่ให้กับสรรพสัตว์สิบสองแบบนะชวาจอดจงก็ไม่เชวาเจอดจงแล้วก็ไปยังทิศทั้งหลายอย่างถ้าช้ใช้คําว่าสัตตาก็จะเป็นสัเพปุรัตติมายะ ทิศายักสัตตาก็ไม่ยากแล้วใช่ไหมคือขึ้นด้วยทิศก่อนแล้วก็ไปทิศ ท, ทั้งหลายลเวลาแปลก็แปลจากหลังมาหนะ้าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวันออกสเปก็ไปว่าทั้งหลายถ้าอย่างนี้ก็ง่ายแล้วใช่ไหมนั่แหละแล้วเราก็แทนตัวทิศเท่านั้นเองเป็นทิศทั้งสี่ก็จะมีทิศตะวันออกก็จะเป็นสเพปุรัตติมายะ ทิศายัสัตตาะตะวันออกนี่คือปุรัธิมาย ะ, ะปุรัธิมายะที่ตะวันออกต่อมาทิศตะวันตกตะวันตกนั้นภาษาไทยใช้คําว่าอะไรเอ่ยเพราะใกล้เคียงกับภาษาไทยมากใช้คําว่าปัดฉิมนะก็เป็นปัดฉิมายะก็จะเป็นอะไรเอ่ยเอาไหนพูดพร้อมกันที่ถ้าเป็นสแปให้ศาตร์ทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นสัพเพปัดฉิมายะทิศายะ สัตตานะก็คือสัตทั้งหลายสัตที่อยู่ทางทิศตะวันตกทั้งหลายอันนี้ไม่ยากแล้วนะต่อมาทิศเหนือทิศเหนือก็คือทิศอุดรนะอุดอนะอุดอนนั้นจะใช้คาว่าอุตรายะนะอุดอนจำง่ายใกล้เขียนกันเลยนะอุตรายะก็จะเป็นอะไรเอ่ยสาพเพอุตรายะทิสายสัตตา ต่อมาทิศใต้ทิศใต้นี้ภาษาไทยใช้คาว่าทักศิลแต่ภาษาบาลีจะมีแปลงไปนิดหนึ่งนะก็คือเป็นทักขินายะนะจะไม่ใช่จะไม่ใช่สอสาเป็นขอไข่แทนทักขินายะทักขินายะก็คือทิศใต้ก็จะกลายเป็นสาเพทักขินายะสัตตา ทิสายะขอไปสพเพทักินายะทิสายะสัตตาอามายยอมจำได้แม่นกว่าอาตมา <c oughs> ดีแล้วขออนุโมทนาก็แปลว่าสัตว์ที่อยู่ทางทิศใต้ทั้งหลายนะนอกนั้นจำง่ายแล้วเปลี่ยนจากทิสายะเป็นอนุทิศใช่ไหมอนุทิศนี่นับยังไงเอ่ยนับตามเข็มนาฬิกาลงมา45องศาลึกออกใช่ไหมตามเข็มนาฬิกาลงมาลงมา45องศา เพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากทิศตะวันออกอนุทิศของทิศตะวันออกก็จะเป็นอาทิตย์อะไรเอ่ยตะวันออกเฉียงใต้นะก็จะกลายเป็นสัพเพปุรัตติมายะอนุพิสายะสัตตาคราวนี้ก็ง่ายเลยเปลี่ยนจากทิศสายะเป็นอนุทิศสายะใช่ไหมถ้าเป็นทิศตะวันตกล่ะอนุทิศของทิศตะวันตกก็คือทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือใช่ไหมเพราะต้องนับตามเข็มนะแล้วถ้าเป็นทิศเหนืออนุทิศของทิศเหนือก็จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วถ้าเป็นอนุทิศของทิศใต้ก็จะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะได้ครบเลยแปดทิศยากไม่เอ่ยไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าจําหลักได้เนี่ยยมจะท่องได้หมดเลย ห้าร้อยกว่าแบบนี้สบายมากเลยนะแต่จากนั้นก็เป็นทิศเบื้องล่างทิศเบื้องล่างนั้นอันนี้ต้องจํานิดนึงนะเพราะมันไม่ใกล้เคียงกับภาษาไทยเท่าไหร่ท่านใช้คําว่าเหติมายะทิสายะทิศเบื้องล่างนะเหติมายะทิสายะนี่คือทิศเบื้องล่างส่วนทิศเบื้องบนก็ใช้คําว่าอุปริมายะทิสายะนะอุปริมายะ ทิศายะก็คือทิศเบื้องบนถ้าอย่างนี้ได้ก็ครบแล้วใช่ไหมสิบทิศเพราะฉะนั้นโยมสามารถแผ่เมตตากี่แบบเอ่ยห้าร้อยสามสิบสองแบบนะห้าร้อยสามสิบสองแบบสบายมากท่องได้หมดเลยถ้าจำได้แค่นี้นะไม่ต้องไปนั่งท่องนี่นั่งท่องเป็นปึกอย่างเงี้ยไม่ต้องไปนั่งท่องลนะให้จำได้นะจำได้แล้วเวลานึกไม่ใช่นึกเป็นคำพูดแล้วก็นึกถึงทิศ ต, ต่างๆ คำพูดเอามาใช้ประกอบเท่านั้นเองหรือว่าถ้าจําบาลีไม่ได้ก็ให้เรานึกถึงเป็นภาวะแล้วก็พูดเป็นภาษาไทยก็ได้แต่ถ้าท่องเป็นบาลีได้ก็จะดีกว่าเพราะว่าเวลาเราท่องเป็นบาลีแล้วนึกตามแบบนี้เนี่ยจิตจะน้อมจะน้อมได้ดีมากภาษาบาลีนี่จะแปลกอยู่อย่างหนึ่งเขาบอกว่าเป็นภาษาที่สื่อถึงสภาพจิตได้ดีกว่าได้ดีกว่าภาษาอื่นๆื่ถ้ายอมพยายามจําหรือท่องเป็นภาษาบาลีแล้วก็นึกเป็นสภาพได้เนี่ยอันนี้จะดีอันนี้จะดีมาก ก็เป็นวิธีการแผ่เมตตาแบบพิสดารพิสดารจริงๆนะเมื่อก่อนอาตมายังไม่ได้ศึกษาก็ยังคิดว่าแค่สัพเพสัตตานนะพอไปศึกษาเข้าในโอท่านว่าได้ละเอียดลึกซึ้งมากขณะนี้การแผ่ทั้งหมดห้าร้อยสามสิบสามแบบนี้แตจริงๆท่านับท่านจะไม่นับเป็นแบบสีมาสัมเพทท่านจะไม่นับนะ ก, ก็จะเป็นห้าร้อยสามสิบสองแบบกาแรแผ่แบบนี้ท่านบอกว่ามีอานิสงส์มากมีประโยชน์มาก จริงๆเอาแค่แบบเดียวเนี่ยถ้าเราทำได้คล่องจิตสามารถสงบได้เป็นอัปปนาสมาธิได้เลยแทนแล้วให้นิ่งอยู่กับตรงนั้ น, นเพราะฉะนั้นเวลาท่านนับก็จะเป็นอัปปนาสมาธิ532แบบตามข้อย่อยนั่นเองตามข้อย่อยนั่นเองอันนี้จะมีกล่าวถึงในคำพีปฏิสัมพิธามัชซึ่งเป็นพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกเล่มที่33นะถ้าจำไม่30เล่มที่30ก่อภัย ท่าจะกล่าวอย่างละเอียดพิสดารเลยในเรื่องของเมตตากรรมาฐานนี้ถ้าใครแผ่ได้จนกระทั่งจิตสงบตั้งมั่นจนกระทั่งถึงอัปนาสมาธิท่านบอกว่ามีประโยชน์มากมีอนิสงฆ์มากอานิสงฆ์างมากกว่าการทํามหาฐานที่พระโพธิสัตว์เคยทํามาในอดีตเสียอีกมหาฐานก็คือการให้ทางด้านวัตถุนั่นเองอานิสงฆ์มากกว่าการรักษาศีล อา น, นิสงส์มากกว่าการถึงซึ่งพะรัตน์ตรัยเป็นที่พึ่งท่านบอกว่าทํามหาทานมากแค่ไหนก็ตามอา น, นิสงส์ยังไม่เท่าการรักษาศีลรักษาศีลมั่นคงมากแค่ไหนก็ตามอา น, นิสงส์ยังน้อยกว่าการแผ่เมตตาจนกระทั่งเป็นเมตตาอัปปนาหรือเมตตาฌานเพียงแค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียว แค่เนี้ยถ้าใครได้ฌานแค่เนี้ยอา น, นิสงส์มากกว่าที่ว่ามาทั้งหมดนี่คืออา น, นิสงส์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสาาไว้นะอีกอย่างหนึ่งเมตตากรรมาฐานหรือเมตตาฌานนี้สามารถระ ง, งับเวรภัยทั้งหลายได้ระ ง, งับเวรภัยทั้งหลายได้ะการจองเวรการเก่อเวรทั้งหลายอย่างน้อยที่สุดภายในใจของเราจะไม่มีการจองเวรกับใครละไม่มีการเก่อเวรกับใครละท่านจึงเรียกว่า เป็นกรรมฐานที่สามารถระ ง, งับเวรภัยทั้งหลายทั้งปวงได้อีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ที่คนไทยมักจะชอบไปสะดอกเคราะ์สะดอกเคราะ์เนะ่ทราบไหมว่าเคราะหคืออะไรเคราะ์คืออะไรบางคนบอกเคราะหคือความโชคร้ายถามต่อความโชคร้ายคืออะไรเสร็จเลยเคราะคืออะไรความโชคร้ายคืออะไร อ้าถามโยูถามโ ย, มมยมูเอาแล้วจะไปสะเดาะอะไรแล้วเนี่ย <c oughs> ตัวเองยังไม่รู้เลยจะไปสะเดาะอะไรจะไปแก้ไขอะไรเคราะคืออะไรความโชคร้ายคืออะไรทราบไหมเอ่ยรู้อะไรรู้ไหมว่าอะไรคือเคราะอย่างยิ่งอะไรคือความเคราะายอย่างยิ่งอะไรนะความอะไรนะความทุก เคราะห์คือความทุกข์นะอ่ามีโยมท่านอื่นคิดว่าอย่างไงอีกไหม <S <S ความไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านจัดไว้นะที่คนทั้งหลายเรียกว่าเคราะห์แล้วมันทําให้เกิดทุกข์เนี่ยสาเหตุที่ทําให้คนเกิดทุกข์จริงๆแล้วสาเหตุหลักก็คือตัวตัณหาอุปท า, านแต่ตัวหลักๆคือตอนที่คนเกิดทุกข์เนี่ยแสดงว่าตอนนั้นคนกําลังเกิดความกโกรธอยู่เกิดโทสะอยู่ถ้าไม่เกิดโทสะคนจะไม่ทุกข์ พระพุทธเจ้าท่งตรัสไว้ว่าความโกรธนั่นแหละเป็นเคราะห์อย่างยิ่งถ้ามีอะไรก็ามากระทบโยมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าโยมไม่เกิดโทสะไม่เกิดความเครียดไม่เกิดความโกรธโยมไม่ทุกข์จริงไม่ใช่จริงไม่จริงแต่ลองสังเกตนะที่เข้ามากระทบที่โยมรู้สึกว่าเป็นเคราะเนี่ยเพราะว่าโยมเครียดโยมโกรธโยมรู้สึกอึดอัดขับคล้องไม่พอใจมันจึงทุกข์่ย เพราะฉะนั้นที่บอกว่าเมตตากรรมฐานสามารถระ ง, งับเวรไภและก็สามารถระ ง, งับเคราะห์ทั้งหลายได้เพราะเหตุนี้มันถ้าอยากสะเดาะเคราะห์โยมจเจริลเมตตาให้มากๆนั่นแหละวิธีการสะเดาะเคราะหะ์แหะพอจิตใจโยมไม่มีความอึดอัดขับคล้องไม่มีความโกรธตอนนั้นโยมไม่ทุกพอจิตใจโยมไม่ทุกโยมจะพิจารณาสิ่งต่างๆได้ตรงตามสภาพตามความเป็นจริงจิตใจโยมก็ผ่องใสสงบตั้งมั่น เราสังเกตอุบายของสมัยก่อนนะของคนสมัยก่อนเวลารู้สึกว่าตัวเองมีเคราะห์ร้ายมีอะไรเข้ามากระทบแล้วตัวเองรู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธรู้สึกโชคร้ายเขาก็จะให้ไปชดเคราชยโดยการทําบุญนั่นคืออุบายอย่างหนึง่งเพราะเวลาเมื่อคนทําบุญแล้วจิตใจเป็นยังไงเวลาเราได้ให้เรารู้สึกยังไงเอ่ยรู้สึกดีงามตอนนั้นความโกรธมันหายไปไง นั่นแหละสะเดาะเคราะห์ความโกรธปัญหาออกไปจากจิตใจแล้วจิตใจมันก็ผ่องใสดีงามตอนนี้กลับมาดูไอ้ปัญหาก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เพราะว่าจิตใจมันสงบก็เริ่มยอมรับกับปัญหาได้เริ่มใช้ปัญญาในการคิดพิจารณาแก้ไขได้มันจริงไม่ทุกเนี่ยบางคนไปสะเดาะเคราะห์ด้วยการไปถือศีลถ้าสืบถือศีลได้ถูกต้องเวลาเราไปถือศีล น, นี่จิตใจของเราเป็นยังไง ผ่องใสสงบดีงามตอนนั้นความโกรธไม่เหลือแล้วพอออกมามันก็จะกลายเป็นสภาพจิตอีกแบบหนึ่งละความปิดอัดความหมู่ดิ้นความรุ่งพร่ามันไม่เหลือแล้วนั่นแหละเคราะหมดแล้วความโกรธหายไปจากจิตใจแล้วใช่ไหมดีที่สุดก็คือการเจริญภาวนานะอย่างน้อยที่สุดก็คือจิตแตะภาวนาก็คือเมตตาภาวนาเนี่นแหละะมันใครรู้สึกว่าตัวเองมีเคราะาเยอะนะเจริญเมตตาให้เยอะๆเจริญเมตตาให้เยอะๆ เพราะฉะนั้นเพราะว่าความโกรธนั้นเป็นเคราะห์อย่างยิ่งระงับความโกรธได้แสดงว่าเราสามารถระงับเคราะห์ทั้งหลายได้ระงับเวรภัยทั้งหลายได้เข้าใจนะอีกอย่างหนึ่งขอให้โยมสังเกตนะอันนี้อาตมามักจะแนะนําโยมที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนยจิตใจมักจะหดหูและรู้สึกอึดอัดหมุดยิดงนั่นแหละเคราะห์เข้ามาแล้วคือความโกรธหรือความเครียด ทนผู้ที่กำลังป่วยอยู่เนี่ยอาตมาแนะนำเลยนะให้แนะนำเขาว่าให้ฝึกเมตตาเยอะๆถ้าเขายังทำวิปัสสนาไม่ได้ให้เขาฝึกเมตตากรรมฐานให้เยอะๆเพราะเวลาใจคนมีเมตตาถ้ายังฝึกแบบที่เป็นภาวะเมตตาจริงๆยังไม่ได้ยางน้อยที่สุดให้เขาท่องเอาไว้ท่องแล้วคอยนึกตามเอาไว้ใจเขาก็จะไม่คิดฟุ้งซ่าน ถึงเรื่องอื่นถึงอาการป่วยถึงความกังวิตกกังวลอื่นๆพอเขาไม่ฟุ้งซ่านไม่วิตกกังวลเรื่องอื่นเป็นยังไงตอนนั้นเขาก็จะรู้สึกสบายแล้วก็สงบยิ่งตอนเขาป่วยไปไหนมาไหนไม่ได้คนทั่วไปจะรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดแต่ถ้าจิตใจเขาสงบตั้งมั่นหรือมีเมตตาได้ตอนนั้นเขากลับเป็นสุขอยู่เฉยๆยิ่งเป็นสุขมากกว่าที่จะต้องออกไปวิ่งหาออกไปตะลอนตะลอนเสียด้วยซ้ํานี่เป็นอุบายอย่างหนึ่งนะ อีกอย่างหนึ่งสังเกตถ้าเมตตาจิตเกิดขึ้นมาแล้วยมจะรู้สึกมีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรเอ่ยร่างกายมันจะหลั่งสารบางอย่างออกมาเวลาคนมีความสุขก็คือพวกเอนโดฟินใช่ไหมเอนโดฟินนะเอนโดฟินสารพวกนี้เป็นสารระงับความปวดมันจะทำให้เรารู้สึกสุขแล้วก็เป็นสารที่ระงับความปวดคนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีอาการเจ็บาการปวดพวกนี้ ถ้าเขาแผ่เมตตาได้ร่างกายมันจะหลั่งสารระ ง, งับความปวดออกมาให้เองโดยที่ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องกินยาเกื้อกูลต่อร่างกายเกื้อกูลต่อจิตใจด้วยเพะะน้นฝากไว้เลยนะนั้นโยมอย่าเพิ่งไปรอป่วยแล้วก็ค่อยไปฝึกนะไม่ได้ฝึกตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยแหละเหนื่อยแค่ไหนพยายามฝึกพยายามแผม่เมตตาไว้กลับมาบ้านก่อนนอนพยายามฝึกแผ่เมตตาพอมาพอร่างกายพอจิตเมตตาเกิดขึ้นร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินออกมาแล้วโยมจะหายเหนื่อย รู้สึกลอดปโปรง่งรู้สึกปโปรง่งรู้สึกเบารู้สึกสบายรู้สึกคล่องคราวนี้โยมนอนหลับเนี่ยนอนหลับไปมีความสุขตื่นมาตอนเช้าก็สดชื่นแล้วก็ถ้าเกิดใครมีญาติพี่น้องที่ป่วยให้ฝึกแผ่ไม้ตายเยอะๆโดยเฉพาะพวกที่เป็นโรคมะเร็งนพวกนี้จะมีความเครียดสูงแล้วมันมีอาการปวดอยู่ตลอดถ้าฝึกได้ดีเขาจะไม่ค่อยปวดเท่าไหร่เรื่องนี้อ่หน้าจะเคยเล่าให้โยมฟังแล้วประมัง เคยแล้อย่างเคยแล้วน่ะเคยแล้วเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วที่เป็นแม่ของวิศวกรที่ชื่อคุณวิรัตวันนี้ไม่ได้มาที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนั่นแะหละเพราะฉะนั้นโยมใช้ได้ตลอดเลยมันจึงเป็นกรรมฐานที่พระสมมาสมุทตะเจ้าท่านแนะนําว่าทุกคนควรต้องฝึกเอาไว้เราเรียกว่าเป็นสัพพะตะกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่เหมาะสําหรับทุกๆคนทุกคนควรจะต้องฝึกเอาไว้ยังโยมขับรถนิยมแผยเมตตาได้ ถ้าท่องแล้วกลัวว่าจะขาดสมาธิโยมก็เอาเทปไปเปิดได้แจกไปแล้วเนี่ยซีดีใช่ไม่ใช่ได้แจกไปแล้วเอาเทปไปเปิดเลยนะเปิดเสร็จก็นั่งฟังไปในรถนั่นแหละนะระหว่างนั่งฟังก็ขับไปก็เอาล่ะมอเตอร์ไซค์ขับปัดหน้าขอให้มีความสุขนะ <c oughs> เอารถติดข้างหน้าขอให้มีความสุขนะเดี๋ยวจะให้เราก็ไม่ขุนใช่ไหมก็แผ่ให้แผ่ไปไเรื่อยๆอะไอย่างเงี้เราจะขับรถด้วยความสุขแล้วก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะ เวลาที่เรามีความสึกเวลาจะผ่านไปเร็วแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้วันนี้รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ทั้งๆ ท, งที่มันติดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เวลาจิตใจเราดีงามเราจะรู้สึกอย่างนั้นตรงข้ามนะตอนที่เราเครียดอยากไปถึงจุดหมายไวนะรถติดแค่ห้านาทีเราจะรู้สึกว่าติดเหมือนสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีได้สามแล้วมันจะอึดอังดงุดงดงิดอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขนะคือปรับสภาพจิตของเราปรับสภาพจิตของเราเสียใหมนะ่แทนที่จะไปเปิดเพลงอย่างนู้อย่างนี้เอา เพลงแผ่เมตตาไปเปิดเปิดแล้วมีคำแปลภาษาไทยอยู่ในเพลงอยู่แล้วนะก็ให้โยมตั้งจิตแผ่เมตตาไปเรื่อยๆเลยนะขับไปก็ขับไปอย่างมีความสุขนะรถติดก็จะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติให้ทุกๆคนมีความสุขบนท้องถนนอย่างนี้เป็นต้นนะโดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบนันเราดูข่าวก็จะแผ่เมตตาให้เยอะๆนะแผ่เมตตาให้เยอะๆนะติดตามข่าวสารบ้านเมืองเอาละสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเอาให้ทุกคนมีความสุขเลิกจองวะ ด้วยจองเวเล็อกเพื่อก่อความเดือดร้อนเสียหายให้แก่กันและกันนะก็ตั้งจิตแผ่อย่างนั้นไปไเรื่อยจิตใจของโยมก็จะไม่ขุนหมัวเศรมองไม่ว่าสภาพต่างๆมันจะเลวร้ายลงไปแค่ไหนก็ตามหรือจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากแค่ไหนก็ตา่างนอกจากนั้นเวลาจิตสงบเนี่ยเราจะได้รู้ว่าสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทําแล้วเราควรจะวางท่าทีต่อเรื่องต่างๆนั้นอย่างไรจึงจะเป็นท่าทิ้งที่ดีงานและก็ถูกต้องเกื้อกูลทั้งต่อตัวเรา และต่ อ, อบุคคลรอบข้างรวมถึงต่อสังคมโดยส่วนรวมด้วยนะเข้าใจนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะว่าจะไม่พูดยาวแต่ก็ปิดพูดยาวเกินเวลาโยามทุกทีนะก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เนะมตตากรรมาฐานก็คงจบไว้แต่เพียงเท่านี้เช่นเดียวกันนะเพราะเพราะเพราะว่าได้กล่าวถึงการแผ่เมตตาโดยพิสดารไปแล้วโนะยมท่านใดยอยากอ่านเพิ่ ม, เ ต, มเติมในหนังสือวิสุทธิมัตยนะ พิสุทธิมัตถถ้าใครไม่มีไปขอได้ที่วัดมห า, าธาตุคณะ25ที่พระครูวรักปัญญาคุณนะที่ท่านพระครูวรปัญญาคุณคณะ25วัดมห า, าธาตุนะบอกว่าพระอาจารย์คันชิตแนะนํามาก็ได้นะท่านจําอาตมาได้แล้วพ่อโยไมไปขอบ่อยแล้วอ้างชื่ออาตมาบ่อยนะไปถึงเสร็จอ๋อมาจากไหนอ๋อสงสัยพระอาจารย์คันชิตใช่ไหมท่านจําได้แล้วคือรู้จักอาตมารู้จักกท่านตั้งแต่ก่อนบวชแล้ว ก็อาจจะลองไปขอกับท่านได้น ะ, จะเจริญพรก็ถ้าเกิดว่าใครไปหนังสือจะเล่มหนาพอสมควรแต่จะมีวิธีการฝึกในนั้นไม่ครบเลยกรรมฐานทุกอย่างเลยนะกรรมฐานสีสิมีอยู่ครบในนั้นทุกอย่างรวมไปถึงวิธีการฝึกพิปันากรรมฐานด้วยก็มีญาติโยมก็มีสตาร่วมสมทบพิมพ์ร่วมสมทบกันพิมนะถ้าโยมอยากจะร่วมสมทบพิมเพื่อเผยแผ่ก็ลองติดต่อที่ท่านพระครูวราปัญญาคุณดูแล้วกั๊ อานะก็วันนี้ก็คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ลำดับต่อไปขอเชิญโยมแผม่เมตตาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์พร้อมกัน